แค้เป็นปลิดทิง้งจิตนึกถามตัวเองขึ้นมาว่าเมื่อสติในอิรยาบถชัดแล้วควรพิจารณาอะไรต่อตอนนี้เกิดอิรยาบถวิ่งอย่างต่อเนื่องคงพิจารณาอนิจจังของอิรยาบถยังไม่ได้ฉันตริตรองอยู่ชั่วครู่แล้วตัดสินใจว่าถ้ายังไม่สามารถเห็นความเกิดดับก็ไม่จาเป็นต้องรีบไปเห็น